เราเป็นขาวพุธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอ่านนักธรรมนักยุ่นักฉลาดแหลมคมและเป็นพลังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระกรังของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงประเจริญ เลิศโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอันใดท่านถึงได้ล่หำลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งไม่เห็นล่ำลือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ทำไมล่ำลือทั่วโลกกระทาสรัธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ท่านล่ำรือทุกอย่างบรรดาวความดีทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลเรียกว่าครั้งแห่งพระธรรมดวงประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงทขุดค้นได้มาก่อนใครทั้งหมดแล้วนำออกแจกจ่ายโลกแม้เะนั้นโลกยังไม่เห็นสาคัญในธรรมดวงประเสริฐนั้น เห็นสำคัญอยู่แต่เรื่องไม่เพื่อเสริมที่กลุ่มอำนาจอยู่ภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจกายวาจาจึงเป็นไปตามจะออำนาจนี้เสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ความต้องการจิตเพื่อเสริมเลื่อนโลกก็สักแต่ความต้องการเพราะไม่ได้ดำเนินตามนั้นเพราะไม่ได้ฝืนสิตที่กลุ่มอนาจไว้ภายในจิตใจของเรา การฝืนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัดเพื่อทำนั่นและเป็นความดีอย่างยิ่งสาหรับเราความมีคุณค่าของคนเรามีอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่มีอยู่ที่เนื้อที่หนังเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนำเข้าไปสู่ตลาดผลปลาเกิดกดออกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารการบริโภคเป็นสำเร็จประโยชน์ไปได้ แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทางจิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้าไม่นำเนินจากจิตใจก็ไม่มีทางนำเนินจิตใจถ้าไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องนำเนินก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องใค่ควรถึงเหตุ ว่าดีหรือไม่ดีผลเป็นอย่างไรที่จะต้องเด็ดออกไปจากเหตุนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเหตุไม่ดีแล้วผลต้องไม่ดีนี่เป็นไปตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกด้วยนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ใครๆจะฝืนไปไม่ได้จะลบก็ไม่สูญนี่คือความจริง เมื่อเหตุดีแล้วผลต้องดีใครจะตาหนิติดเตียนวันยั่งคำก็ตามหรือยกโลกกระถาสมาตาหนิติดเตียนว่าทําชั่วไม่ได้ดีทําดีไม่ได้ทำทำทำชั่วได้ดีทําดีกลับได้ชั่วอย่างนี้ก็สักแต่คําพูดหรือความสําคัญของคนของผู้พูดผู้คิดนั้นเท่านั้นแต่หาได้เป็นไปตามความจริงนี้ไหมเพราะความจริงนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่า ความกินดังที่กล่าวมานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนตามหลักความรินนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทาในแง่ใดไม่ว่าพระสูตรพระวินยัยพระประมาตถ์ต้องแสดงตามหลักความรินนี้เคลื่อนข้าศนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาพุทธจึงพยายามประพฤติธปฏิบัติตนและพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอ แม้ไม่้มุ่งความเป็นพุะพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระองค์ก็าตามแต่ก็ควรคำนึงถึงความเป็นลูกศิษรฐาโคตคือพุทธบริษัทได้แก่อุบาสกกณาเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นค่าสึกต่อความดีเราก็ต้องฝืนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะต้องการความดี อันความไม่ดีนั้นมีอยู่แล้วภายในจิตใจสิ่งที่ฝืนไม่อยากทำความดีนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่ชั่วทั้งนั้นถ้าเราไม่ยอมฝืนก็แสดงว่าเรายอมจำนนต่อความชั่วความต่ำทรามที่มีอยู่ภายในจิตใ จ, จมากน้อยถ้าเราฝืนก็แสดงว่าเราเห็นโทษแห่งความไม่ดีนั้นแล้วจะฝืนให้รูดพ้นจากความไม่ดีหรือจะทาลายความไม่ดีนี้ลงได้โดยลำดับด้วยความสนใจ เพราะความเห็นโทษเป็นเป็นเหตุปัจจัยอั น, นที่จะให้ฝืนสิ่งเหล่านี้เพื่อความดีทั้งหลายเรื่องของศาสนาต้องเป็นเรื่องฝืนสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คล้อยตามของไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝืน ฝืนตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดจนหาสิ่งที่ให้ฝืนไม่ได้จิตก็สะดวกสบายไม่มีอะไรมาฝืนใจอีกต่อไปสิ่งที่ฝืนจะมีมากมีน้อยเท่าไร น, นั่นแหละคือตัวภัยของจิตแล้วสิ่งนั้นเมื่อเราดําเนินไปตามหรือเราคล้อยไปตามมันจะมีกําลังมากขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยธรรมกลาลเป็นนิสัยคือโลกเขาว่า เอาตามใจตัวเองมันเป็นนิสัยแต่ความจริงมันก็ตามตามธรรมชาติเหล่า น, นั้นแหละเพราะใจไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นอยู่กับใจเลยโลกเลยพูดจะว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยนีนีการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจำต้องฝืน ดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานทีน่นี่หรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนไม่ได้ไอเรื่องเวลาเวลาจะมีมากน้อยเพียงไงก็าตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้ผู้กรรมอนาจหรือผู้คุมอํานาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปกินจนหมดไม่มีเหลือเลยจนกระทั่งโน้นหลักขณะขณะที่จะสิ้นลมหายใจนั้นอันถึงจะปล่อย ไม่มีเวลาว่างเลยวันคืนปีเดือนมีอยู่เท่าเดิมปีหนึ่งมีสามร้อยหกิบห้าวันและวันคืนหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมองก็ไม่มีว่างสำหรับธรรมชาติอันนี้จะไม่ยอมว่างให้ใครเลยกุมอำ น, นาจอยู่ตลอดเวลาจนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปิดโอกาสให้ว่าเวลานี้ว่างจึงได้ตายนั่อเราหน้าพิจารณาไหมเรื่องเหล่านี้ มันน่า ส, สรุปสัมเภตไหมแล้วสิ่งเหล่านี้เคยกดทวงเคยทรมานเคยทำให้เราได้รับความทุกขุมามากน้อยเพียงไรแล้วแต่แต่นานเท่าไหร่กดขี่บังคับอยู่ภ า, ายในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไถ่แม้สุดจิตใจเดือดร้อนวุ่นวาย ขนาดหนักแทบไม่มีสติก็ว่าวันนี้ใจไม่ดีเลยี่แล้วไม่ทราบว่าไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุธรําเป็นเหตุทํำให้ใจไม่ดีก็คือธรรมชาติอันนั้นแหละแต่เราไม่อาจจะทราบได้นีถึงต้องในอาศัยการอบรมให้ทราบว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วอันดีก็เป็นคุณแก่จิตใจทิ้งที่ชั่วก็เป็นภัยต่อจิตใจ มันอยู่ด้วยจะอยู่กับใจทั้งสองอย่างมีแต่มากกับน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหาอุบายวิธีใดที่จะแก้สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ในจิตอันเดียวกันให้ออกไปได้เดิมดับนอกจากอาัจจากธรรมและนอกจากตัวเราเองที่ที่จะฝืนเพราะอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่มีวันที่จะปลดปล่อยออกเป็นความว่าง ได้ตลอดพระพุทธเจ้าท่านทําไมว่างนานเราต้องคิดไปอย่างนั้นเพื่อแก้ตัวเองท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์ทําไมท่านถึงท่านถึงว่างได้ออกบําเพ็ญพระองค์เราไม่มุ่งที่จะบําเพ็ญพระองค์บําเพ็ญตนแบบพระพุทธเจ้าก็ตาม แต่เรายกท่านมาเป็นครูในส่วนที่เราจะยึดได้มาปฏิบัติเพื่อตัวเองทําไมพระพุทธเจ้าท่านว่างท่านไม่มีกิเลสหรือท่านไม่หึงไม่หวงหรือท่านไม่ห่วงไม่ใ ย, ยหรือลูกก็มีเมียก็มีสมบัติพระสถานมากน้อยประชาชนทั้งหลายเต็มแผ่นดินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์ท่านนั้นทําไมพระองค์ว่างปลอมวา ง, ง, วางปล่อย ได้ตามการตามเวลาที่ควรจะปล่อยจนกระทั่งในจันสรูุ้ะเราไม่ถึงกับจะต้องปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ปล่อยแบบสัตว์แบบลูกศิษย์ที่มีครูให้หาเวลาว่างสําหรับตนเองให้ได้อะไรที่มีความสาระสําคัญที่สุดในโลกนี้จิตของเรามุ่งกับอะไรทุกวันนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่จะเป็นสาระคุณสําคัญพึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่าจรินมีอะไรบ้างอยู่ในโลกนี้ ไปที่ไหนเห็นแต่ป่าช้าเกลื่อนไปหมดไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลปา่าช้าเต็มตัวด้วยกันเราหวังอะไรเป็นสาระเราหวังอะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่มั่นใจของเราถ้าไม่มีปัจมีธรรมพายในจิตใจแล้วเราจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยและเลื่อนลอยจนกระทั่ ง, งวันสิ้นที่วาชนก็เลื่อนลอยไปบนั้นเมื่อจิตใจในปัจจุบันมันเลื่อนลอยอย่างไร ไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างไรอนาคตไม่ต้องพูดก็คือพูดนี้หรู้เลื่อน้อยนี่เองจะไปเป็นอนาคตไม่ใช่อะไรจะไปเป็นแล้วสาวกท่านมีจํานวนมากน้อยเพียงไรท่านทําไมว่างไ่ะท่านทําไมฝืนได้ยคําว่าฝืนเป็นสิ่งสาคัญมากทําไมท่านฝืนได้กิเลสท่านเป็นกิเลสประเภทใดท่านถึงฝืนได้กิเลสของเราเป็นประเภทใดถึงฝืนไม่ได้ ก็เป็นจิเลสประเภทเดียวกันธรรมะเป็นเครื่องแก้ไขก็เป็นประเภทเดียวกันบุคคลที่จะต่อสู้พี่พจะแก้ไขหาเว ล, เวลาหาโอกาสเพื่อตัวเองก็เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับเราไม่ผิดกันเลยถ้าผิดก็ผิดแต่ว่าท่านมีความเข้มแข็งเรามีความอ่อนแอนถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ความอ่อนแอ น, นี่แหละเป็นสิ่งที่จะทาให้เราได้รับความทุกข์ความลาบาก แ้าบ่นเพอ้ออยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ความบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้บ่นก็เอาตามความสาคัญของต น, นว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่ทางระบายออกแห่งทุกข์ความบ่นมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งือนกันเพราะทำงา น, นความคิดที่จะมาบ่นก็เป็นงานความบ่นออกมาก็เป็นงานและนอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นรำคาญดีไมด่ดีเขาก็มีอะไรอยู่ภายในจิตใจเขาพร้อม มาพบเรื่องเราเข้าก็เลยบวกกันเข้าไปใหญ่เลยเลยมีแต่กองทุกข์นะเพราะฉะนั้นเพื่อปวดเปื้องสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับความฝืนฝืนมากฝืนน้อยฝืนเธอะฝืนเราการฝืนเราฝืนสิ่งไม่ดีของเราเป็นความชอบธรรม ไม่ผิดฝืนได้มากได้น้อยเป็นสิริมงคลเป็นความดีประจําตัวของเราจนกลายเป็นนิสัยแห่งการฝืนสิ่งม่ดีทั้งหลายแล้วมีความองค์อาจกล้าหาญขึ้นมาผลสุดท้ายไอ้เรื่องสิ่งที่เราจะให้ฝืนนั่นก็เลยยอมจํานนแล้วว่าจะไปไหนมีเหตุผลอย่างไรถึงต้องไปเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุผลนั้นทีเดียวไอ้สิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมะ ก, กีดขวางทางเดินของเรานั้น มันก็ค่อยล้มละลายไปล้มลาไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและได้ชัยชนะมาแล้วสิ่งนั้นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลำดับดบจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยและชนะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีกงานนี่ความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องฝืนความชอบใจอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นนี่เป็นความถูกต้อง ถ้าเราจะดําเนินหรือทาไปตามความชอบใจความชอบใจนี้มีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ไม่มีนอกจากเหตุผลของกิเลสเท่านั้นซึ่งอะไรก็อ้างมาตามเรื่องของมันอืจนจนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุผลของธรรมผลที่จะพึงได้ละผลที่พึงได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ความร้อนภายในจิตใจแม้นั่งอยู่เฉยๆก็ตามจิตไม่ได้นั่ง จิตมีความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเลาล้วนแล้วตั้งแต่สร้างความทุกข์ขึ้นแก่ตนเองด้วยความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีเราก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่แหละเรื่องเหตุผลของกิเลสเป็นนี้หาความถูกต้องไม่ ไ, มได้แหละเหตุผลกิเลสแต่ว่าเรียกเหตุผลของมันเป็นอย่างนั้นส่วนเหตุผลของธรรมนั้นมีความถูกต้องผลที่ได้รับคือความสุขความเย็นใจ การปฏิบัติตัวเองหรือการปฏิบัติศาสนายังเป็นความลําบากผิดธรรมดาอยู่บ้างถึงจะผิดธรรมดาก็ตามเราก็ทราบว่าเราจะไม่ให้เป็นไปตามธรรมดาของกิ่นต่ําของฝ่ายต่ําก็ต้องฝืนกันเมื่อฝืนครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปก็ได้ แล้วขั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่จะให้ฝืนก็อ่อนลงอ่อนลงความเึ้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดาเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องเนี่ยนักธรรมะพระพุทธมีพระพุทธายเจ้าเป็นต้นท่านจงดําเนินอย่างนีง้ทำไมท่านจะไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่ใยครอบครัวจะาเรือนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมี พิเรศเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นนด้นานครูของพวกเราสาวกข้างหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธทางสังฆังฉนงังกฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับเอาพุทธทางธรรมสังฆังฉนงังกฐามิเข้ามาสู่จิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายโดยเมื่อคำหนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆ์ว่า มีคุณค่ามากน้อยเยียงไรจึงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขีเกยียดอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้า ม, มาสกรปรกด้วยทำไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอมีเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลอันในมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตเุเข้าดาเนินไปตามนั้นทาไมมันฝืน จิตใจเราจะได้มีความโล่งสบายไปโดยลําดับอะไรโล่งก็สู้จิตใจโล่งไม่ได้อะไรคับแคบติดตันก็สู้จิตใจคับแคบติดตันไม่ได้อะไรจะทุกข์ก็สู้จิตทุกข์ไม่ได้อะไรจะสุขก็สู้จิตสุขไม่ได้นักรวมลงที่จิตโล่งดินฟ้าอากาศก็โล่งไปนั้นไง ถ้าว่าความทุกเรายังมีอยู่ภายใ จ, ใจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันจั่งขำทั้งที่ทั้งทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโลง่ลงนั่นแหละนี่ยเนี่ยที่ว่ามันมันอยู่ที่จิตถ้าจิตต้องเรามีความปลอดโปรง่งโลง่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายเอออยู่ในถ้าในเหวในกระถับต่อตามอยู่ในต้นไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จําเป็นต้องคิดหาว่าโปร่งนั้นโปร่งนี้โล่งนั้นโลงน่นโลงนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบาย ความสุขก็สุขอย่างนั้นนี่จึิงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งตํชาช้าเดือดามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจนแหลกไปหมดผลเละมันโยนให้เราเป็นคนนับทุกจะเป็นจะตายอยู่ภ า, ายจในจิตใจนี่คือผลแห่งความแ ห, แห่งสิ่งต่าทั้งหลายที่มีอยู่ภ า, ายจในจิตใจไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผล ความสุขอาจจะไปหาที่ไหนมันก็เพียงผ่านไปผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นเห็ น, หนกันถ้าสบมาผ่านชั่วขณะขณะขณะ น, น, นั้นมันไม่เป็นความสุขที่กีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภณยในจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่กีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัว เป็นอกุปปรธรรมเป็น จ, จิตใจที่ไม่กำเนิดเป็นความสุขที่ไม่กำเนิดไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ที่นี่เนีย่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่พอย่างยิ่งการจิตตภาวนาเน่ถือเป็นเรื่องเล็กๆลกน้อยน้อยทำพอเป็นพิธีดีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธี แล้ว เ, เกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนา น, านะั่น15นาที10นาที15นาทีานะทแค่ล้มแทบตายเวลาที่เดสเอาไปสลุงทั้งวันทั้งคืนยังสนุกกับมันไปได้นะเห็นไหมกนะิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหนมันกล่อมดีขนาดนั้นนะ ปลอมจนเคลิ้มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะวาไงแต่ทําไมนักปราชญ์ท่านตำหนินะักพวกเราทําไมชอบเนี่ยนะชอบอะไรมันก็เจอนะอันไงชอบทําก็เจอทำชอบที่เหลกชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ด้วยกันสุ ข, ขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดำเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดย ไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราแน่ใจแล้วว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกสัตย์เราได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำ่งสอนที่ถูกต้องแน่นยันมาจากหลักหันสวขาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว พยายามดําเนินตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวขคาธรรมผลที่จะพึงได้รับจะเป็นที่พึงพอใจเราจะถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการดําเนินวิถีการคลองคลองขี้ก็ตามวิถีทางธรรมะที่จะให้เป็นความอบอุ่นแก่จิตใจก็ตา่าง ไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ด้วยความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีป้องกันรักษาตัวทั้งเกี่ยวกับสิ่นภายนอกและสินภายในพระพุทธเจ้าเป็นนักทุกอย่างนักปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระองค์นักปกครองด้านจิตใจก็เป็นอนนงค์นักปกครองคนทั่วทวไปทางด้านจิตใจนี้ถึงสามโลกธาตุเดี๋ยวปกครองสัตว์ อุบายแนะนำสัม ส, สตวรษถึงสามถึงถึงได้ถึงสามโดกรถ า, าไม่มีศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพนิทานเราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพนิทานแต่เคยได้ยินไหมไม่ได้ยินพราะถึงที่นั่นแล้วเป็นสถานที่เพียงพอ เช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่หัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายดให้เป็นเนพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบแถนเถงกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านาวัน ถ้าเขยกนิทานหัวตาขึ้นมาเดินต้งไปในบ้านเขาเขาเขาหนิบนขึ้นบนบ้านตามหนิบนขึ้นบนบ้านก็คือนิมนขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่หัวตานั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะว่านิบนข้างบนนิบนข้างบนโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปขื่อนนั่นวะอ๋อทำไมขึ้นไปโน้นล่ะนิบนลงมากลงมาแล้วเปิดเลยแม่นั่งทั้งบ้านเขาหน่ะนั่น อันนี้มันเป็นอย่างไงสอนถึงนิพพานแล้วจะไปไหนอีกอเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มพมงแล้วจะปีนขึ้นมานั้นอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานะปีนขึ้นบนเขืออันนิพพานไม่มีขื่นอนเลยปีนขึ้นบนเขือนี่เหมือนลองโดดไปเลยเลยไม่ได้เลื่อนทันตั้งขึ้นตั้งล่องผิด คนไม่ใ ค, คร่ควรคนมาพิจารณาเถี่ยนโกงโกงจนเซื่อหันว่านในวงปฏิบัติของเรานี้มีไหมที่ปีนขึ้นขือ่อเยอะหันว่าฟังสินี่เป็วกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้นปีนขึ้นบนขื่อหันว่าไม่ไปล่ะตามหลักมระพิมารที่พระเจ้าทรงสอนไั่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเออมันพูดหน้าฟังนะพวกบนขื่อหันว่างั้นออื เป็นคติสำคัญห้าฝังมากซึ้งฝังแล้วนี่มนพูดถึงเรื่องคนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพินิจรพิจารณาเหตุผลว่าควรยังไงไม่ควรยังไงท น, นี้เราเห็นตรงคาว่าเห็นต ร, ร, รงนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาทเช็ดบาตลอดแล้ ว, ล ว, ลวท่านเอาบาท ข้ามลงมาแล้วท่านส่องดูบาทให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาสนิพุตรตรงไหนมั่งส่องไปที่แจ้งคือส่องสุภาอาทิตย์มองไปต้าวว่าบาทนิพุตรตรงไหนช่องไหนก็จะได้อุดนีลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาตส่องเลยส่องไม่ทราบเวลามามาถามแล้วส่องเพื่ออะไร ก็เห็นครูอาจารย์ท่านสองนี้ปนไปเลยสองวันนี่บนคื่อเหมือนกันท่านขึ้นบนขื่อท่านขึ้นไป ท, ทําธุนราหน้าที่บนขื่อแต่เราขึ้นไปนั่งตรงหมองอยู่บนขื่อดยไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยมีอะไรไม่ดีอยู่ข้างบนก็ไปซ่อมแซมเช่นอย่างเราไปซ่อมแซมบ้านนั่นเราบ้านไม่ดีที่ตรงไหนก็ไปซ่อมแซมที่ตรงนั้นจะบนขื่อก็ไปเพราะเหตุผลมันอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะทําที่ตรงนั้นต้องไปทํา แต่ครวตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขือ่อเฉยเขาเนี้มันนิมนต์มาข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขือนนข่อเลยปีนขึ้นไปบนขือ่อบนบ้านเขาไม่ยอมอยู่ขึ้นมาทําไมนิมนต์ร้องนิมนต์ลงโดดลงไปเลยน่ั่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินยังกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพิน คิดคิดโศกหรือคิดเธ่เนี่ยยุ่งไปหมดหอพอออกเสีทา ง, งกลัมาเอ๊ะวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบป่ะแล้วเดินจงกรมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายผัพวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาเอาทำไมานั่งภาวนา น, นั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งกรุงนั่งยุ่งนั่งเยอะวุ่นไวายไปหมดแหน่นิ่มนาฬกามก็ได้สั้นนาทีได้สั้นนี้นาที ไม่เห็นได้เรื่องอะไรนอนถ้ดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพี่นาสินอนแล้วมันได้เรื่องแต่มันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเด็กันก็ไม่ได้มักผลวิพันธ์อะไรหลวงพวังหลวงรับก้อไปแน่เปนไปที่ไหนก็มีแต่กิเดชตามเหยียบย่าทําลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่าทําลายจิตเดชมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีเตกิเดชตามล่าตลอดเวลาพวกเรามันพวกจิตเดชตามล่าเอา้อ พยายามเอาตามล่ากิเลสนั้นที่นี่นะมันเป็นยังไงกิเลสฟืนนี่แหละฝืนตรงนี้จิตมันอยากคิดไปไหน บ, บังคับทําไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับไม่ได้ใครจะบังคับได้ถ้าจิตลงแหวกแนวจากเราแล้วจิตจะมีหลักมีแหล่งที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากการแหวกแนวจะเป็นอย่างไรนะ่ะเราต้องคิด มันอยากไปไม่ยอมให้ไปอ่ามันอยากทาทีนั้นไม่ยอมให้ทํามันจะผืนไปได้ยังไงเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่ไม่ให้ทําเราต้องไม่ทํำเมืม่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทําอ้าวทําลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายทําไม่โลกเขาทาหน้าเราทําไม่ได้โลกเขาทําไม่ตายแล้วทําไมเราทํามันตายถ้ายก็ให้ตายป่าชา้ามีอยู่ทุกแห่งโน่ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทําสิ่งที่ถูกต้องในงามอย่างสงใจเธอนั่น ว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็เหมาะเด้มันจะไปไหนพ้นไม่มีอะไรที่จะมีอานาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแก้กิเลสกิเลสยอมแต่ทำเท่านั้นอย่างอื่นกิเลสไม่ยอมยิ่งความคล้อยตามเท่าไหร่กิเลสยิ่งจะพาให้เราร้องเพลงมันมันรื่นเริ ง, เรงสนุกสนาน อย่างไรขณะที่ฟังเทศน์นี้จิตมีความสงบจิตอยู่กับตัวไหมถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาฟังท่านอธิบายมันก็เข้าอกเข้าใจไปโดยลําดับลําดับให้อยู่กับตัวนั่นแหละไม่จําเป็นจะต้องต้องส่งออกมาข้างนอกให้อยู่กับตัวธรรมะจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้แล้วสัมผัสกันเรื่อยๆจิตจะรับความสงบในขณะที่ฟังเมื่อจิตสงบแล้วความสุขมันเกิดขึ้นเอง จิตที่ที่ความสุขไม่เกิดความสุขไม่มีเพราะจิตไม่สงบจิตวุ่นอูตลอดเวลากาคกวรเยนอยู่โดยสม่ำเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อยเพราะป้อนเหตุให้เรื่อย่การฟังทำผลเนี่ยห้าประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมผ่องใสหนะักจิตจะผ่องใสได้จิตต้องอยู่กับตัว รับสัมผัสทำกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดวักขาดตอนตั้งความรู้ไว้นั้นเท่านั้นแหละไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์คราวนี้เราต้องการ ใ, ให้รู้เห็นให้เข้าใจในอดในธรรมให้ทํามเท่นั้นสัมผัสจิตใจเพราะใจ สิ่งอื่นๆมาสัมผัสทั้งมากมากะกองจนจิใจไม่เป็นใจของตนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเลสปัญหาอสุวะเป็นพิษ ใ, ใจเสด็จใจถีอะไรก็ไม่รู้แหละใจในรกอเวจีไปหมดเพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามาก่อขวนวุ่นวายเวลานี้จใจเป็นภาชนะสนับรบับธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะอีกก็สงบสงบแล้วก็เย็นพอจิตเย็นแล้วมันสมายตอนั้นแหละคนเราเราหาความสบายไม่ใช่เหรือเราไม่หาความถูก นี่แหละจิดแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้พยายามระงับจิตอย่าคิดมากเกินไปความคิดมากไม่ใช่ของดีคิดมากมากไปจนจมันจะเป็นบ้าก็มีทำเป็นยังไงเพราะเหตุไรยิ่เป็นยังไสิ่งที่ไม่ไม่ดีนั่นนหละจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจยิ่งความโกรธแค้นจิตยิ่งไปชอบคิดในสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความร้อนจิตใจขึ้นมาโดยลําดับนั่นแหละ จนจะลัางตัวไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เราต้องหักห้ามเอาฝืนใจจะขาดก็ให้ขาดจิตเป็นสมบัติของเราทำไมเราจะบังคับไม่ได้แล้วเราจะมอบให้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนรับผิดชอบในจิตของเราเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบทุ่มกำลังตรง น, นั้นจิตยอมจำนวนเองแล้วสงบตัวเห็นผลแล้วทีนี้ออนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ มีแก่ใจที่จะต้องบังคับไปเองนึกเกิดความขร่าหานที่ต้องบังคับสุดท้าจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลำดับลับอยู่ไหนก็สบาย<ม>แล้ว ม, มีทางยับยั้งตั้งตัวได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติตัญญาซึ่งเคยได้บำเพ็ญมาและเคยได้หลักเกณฑ์มาแล้วนี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาการปกครองตนตามหลักศาสนาการพร่ำสอนตนตามหลักศาสนาดีกว่าการพร่ำสอน ใครๆทั้งทั้งนั้นเมื่อสั่งสอนตนดีแล้วพูดคนให้คนอื่นฟังก็จับใจไพเราะถ้าตนนังเหลวพูดออกไปถึงจะนําทําพุทเจ้าไปความเหลวของตนออกแสบไปด้วยมันก็ไม่น่าฝักมันเลยเหลวไปหมดถ้าจิตใจมันเข้มข้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มข้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาติแหนจะว่าไง มันออกมาจัดใจที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับๆจากการปฏิบัติมีกิจตรรภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นจิตนอกประเด็นหรืเป็นจิตพิเศษไปนั้นนี่ลหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีทานี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด นอกนั้นก็เพียงเป็นปริยาอาศัยกันไปชั่วการทั่วเวลาแล้วพอพลาดจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความกิริงถาวรนไัได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตอันเป็นสมมตินี้นยิงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้